พุทโธสวัสดีค่ะท่านฟังที่รครบค่ะรายการสันสานิสนทนามาอีกแล้วนะคะสันสานิหน้าโพลดําเนินรายการและมีพระมหาภายบยลุญอภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศก ค, ค่ะจะมาเปิดธรรมที่ถูกปิดหมายความว่าใช้คําสอนของพระศาสดาตอบคาถามที่เป็นข้อสงสัยทั้งหลายนะคะในวันที่7จคืบคลานเข้ามาทุกขณะดิ่ฉันเนี่ยอยากจะกรับเรียนท่านเป็นระยะระยะเพราะว่าสัปดาห์นึ่งก็มีโอกาสพูดสนทนากับ ท่านเพรื่หรือว่าพูดกับท่านผู้ฟังในแค่สองวันจะแจ้งให้ท่านได้ทราบว่าท่านเพรื่นหรือพระมหาเพรื่นอภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศน้องหายอุดรธา น, นีเน่ค่ะจะได้เวลาเดินทางมาเพื่อที่แสดงธรรมให้กับญาติโยมทั้งหลายณนะสถานที่เยคือหอสมุดท่านพุทธธาตุที่สวนจตุจักรนะค ะ, ะจะมีชั้นเช้าตั้งแต่เวลาเจ็ดโมงโดยประมาณ แสดงธรรมเวลาเก้านากาโดยประมาณใครที่อยากจะไปพบกับท่านไปฟังธรรมท่านไปเห็นตัวจริงของท่านก็เชิญกันนะคะตอนนี้เราไปพบกับท่านทางเสียงก่อนก็นแล้วกันค่ะกล่าวน้อมสการะท่านคะเชี่ยพานพบกันวันดีซะด้วยนะคะวันนี้เป็นวันที่ชาวจีนเขาเที่ยวกันทั้งหมดเลยค่ะอออาจารย์เองก็เป็นคนจีนนะบรรพบุรุษมาจากเมืองจีน สมัยก่อนทำยังไงคะท่านคะก่อนบวชพระก็จะมีการไหว้เจ้ามีการบันบูชาบันบบุรุษแล้วก็มีการที่พบปากของหมู่ญาติกันค่ะเพราะว่าที่ถามอย่างเงี้ยเนื่องจากดิฉันไม่ใช่คนจีนะนะคะแต่ก็อยู่ในสังคมที่มีคนจีนเยอะก็พอจะได้ทราบว่าเทศกาลตรุษจีนคนจีนที่จะมีความสุขกันมากเห็นส้มเต็มไปหมดนะคะเห็นสีแดงเต็มไปหมดแล้วก็ได้ยินว่า อจะต้องมีการจ่ายการไหว้การเที่ยวต อ, <ช>ตอนเด็กก็เพื่อนๆนจะหายไปจากห้องเรียนหลายคนเหมือนกันโตขึ้นมาก็มีเพื่อนๆนบอกว่าลาไปเที่ยวหลายคนเหมือนกันค่ะจริงๆถ้าถ้าเราดูข้อปฏิบัติตรงนี้เนี่ยนะก็จะมีบางส่วนที่สอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะคุณโยมติว๋วตรงไหนบางกันคะอย่างเช่นเรื่องของการบูชาบรรพบุรุษอย่างนี้เป็นตน้นค่ ะ, ะเช่นว่าพระบุทธเาตราตาไว้ ในเรื่องของที่ทั้ง6เนี่ยที่พูดถึงว่าถ้าเมื่อบิดามารดาล่วงลับไปแล้วใช่ไหมเราก็ทําทักษีนาทานอุทิศท่านเพราะฉะนั้นการบูชาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทําบูชาเป็นพระบุตรบูชาผู้ที่ควร บ, บูชาเอ่อเหมืจะไหว้เจ้าไหว้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าบอกว่าเรารู้ว่าเราบูชาเพราะอะไรเขามีคุณธรรมใดๆเราบูชาด้วยใจิตใจที่เป็น เป็นบุญเป็นกุศลอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมงคลเหมือนกันแต่ท<ะ>ี น, นี้ว่าเรื่องของการบูชานี่ก็จะต้องแบ่งไปอีกว่าเป็นอามิสบูชาหรือว่าเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติซึ่งถ้าอามิสบูชามันก็ต้องแยกไปอีกว่าต้องมีอะไรมาตายไหมรายละเอียด ก, ก็จะมีแยกแยกกันไปแต่<ะ>เป็นบูชาด้วยการปฏิบัติก็เอาคุณธรรมที่เราบูชานั้นมาส่งไว้ในใจอันนี้ก็ได้เหมือนกันคะที่ฉันเนี่ยเข้าใจว่า กรดจีนเหมือนปีใหม่ไทยอันนี้เข้าใจถูกไหมคะอ่าใช่ใช่ใช่ถูกต้องเป็นปีใหม่ของชาวจีนแล้วถ้าตามระเบียบที่เขานิยมกันมาตั้งแต่เดิมสมัยที่ท่านยังไม่ได้มาบวชเป็นพระภิกษุเนี่ย น, นะคะอ่าต้องทําอย่างไรบ้างในการเฉลิมฉลองปีใหม่นอกจากที่ท่านว่ามีการไหว้จะต้องมีการทําตัวให้สะอาดกวาดบ้านให้สะอาดอะไรประมาณากกนี้ใช่อะไรอย่างเงี้ยไหมคะถูกต้องถูกต้องเดีวก็จะเน้นฝุง เ, เรื่องของการที่ พูดดีๆการไม่ทะเลาะเบาแวงกันซึ่งตัวนี้ก็สอดคล้องกับที่คําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ที น, นี้ว่าเราควรจะขยายเรื่องนี้ใ ห, ให้ให้มีความเข้าใจมากขึ้นนะส่วนที่ที่สอดคล้องก็มีแต่ที่ควรจะทําความเข้าใจให้เพิ่มขึ้นก็คือว่าเออไม่ใช่เฉพาะแค่วันนี้แ ต, แต่ควรจะเป็นทุกๆวันแต่คือบางคนเนี่ยก็จะมาจ้องจ่อเอาเฉพาะวันนี้เท่านั้นฉันจะต้องทําวันดีให้วันนี้ให้มันดีแต่ที่เหลือนี่ก็แบบเผลอเปลินเนีนะ่ประมาทมัวเมาไป มันก็มันก็ไม่ดีเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถา้าเราขยายความดีที่เราทําในวันนี้ไม่ว่าจะพูดจาดีๆให้กาัอมีสิ่งของมอบให้การเอาขยายไปในทุกๆวันเอนี่จะเป็นเรื่องที่ยิ่งดีมากขึ้นค่ะะพรท่านพูดถึงสิ่งของมอบให้กันที่ฉันนึกถึงแปะอียาอย่างเดียวเลยค่ะการได้ทําเป็นสิ่งดีนะการให้ท <g arn> ําเป็นสิ่งดีค่ะดูเหอนก็ว่าใครก็ชอบอะนะคะยิ่งถ้าเป็น ผู้อ่อนอุโสเนี่ยมาจะชอบมากเลยเพราะว่าพูดอาวุโสมากกว่าก็จะให้เราใช่ใช่อันนี้เป็นหนึ่งในเรื่องของธรรมะหประการหนึ่งใน6ประการที่จะทําให้เป็นธรรมที่เป็นเครื่องระลึกถึงกันที่เราได้คุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณโยมเดียวคิดว่าจะจำได้นะี่ยคือเรื่องของการที่ให้ทานนะแบ่งปันเอื้อเฟื้อสิ่งที่เป็นอมิตรกันแล้วนะก็พอจะระลึกถึงเราเราก็จะระลึกถึงคนที่เขาให้เราล่ะแม้ว่าาสตร์ปีนี้ให้เต่านี้พนันให้เต่านี้ร้อย เราก็จะรึกถึงตรงนี้นะคะสรุปแล้วก็หลายอย่างเลยที่เป็นการกระทําที่ดีหรือที่เราเรียกว่าเป็นกุศ ล, ลได้ไหมคะเนี่ยถูกต้องเป็นกุศลทางกายทางวาจาทางใจใจะรวมอยู่ในนี้นั่นเองจะเป็นพื้นฐานที่คล้ายๆกันกับหลักทางพระพุทธศาสนามีส่วนเกี่ยวข้องอยู่พอสมควรดีเดียวใจค่ะคท่านคะทีนี้มีคําถามนะคะชื่อคุณอินงงออืถ้าดิฉันอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยนะคะแต่สะกดมาอ่ออ่างสเลอีนอนหนู ง, งูงูงูคะ่ะถามเรื่องของการให้พรตอนบินธบาตถามมาว่าถูกต้องหรือไม่มีรายละเอียดนะคะว่าเดี๋ยวฉันอ่านตามที่เขียนมาเลยดีกว่านะคะว่าการให้พรพระต้องนั่งเท่านั้นและอยู่สูงกว่าผู้รับพรผู้รับพรก็ต้องนั่งด้วยเช่นกันวงเล็บยกเว้นคนป่วยนะพระกับผู้รับพรต้องนั่งในที่ที่เหมาะสมถึงให้พรได้ ตัวอย่างง่ายๆไปงานบุญหรืองานศพแล้วเห็นพระยืนสวดมนต์ไม่มีที่มีให้เห็นว่ายืนสวดคือตอนบินทบาทซึ่งจริงๆมันผิดที่จริงมันเพิ่งมามีช่วงหลังในกรุงเทพแล้วกลายเป็นที่นิยมคนยุคเราก็เข้าใจว่าสิ่งที่ถูกต้องคือต้องให้พรแต่พอมีพระวงเล็บส่วนน้อยที่ทำถูกคือไม่ให้พรตอนบินทบาทกลับกลายถูกมองว่า ทำผิดถูกกล่าวถูกต่อว่าว่าวัดนั้นไม่ดีไม่น่าเคารพไม่ใส่บาตรอีกอคะ่ะตอนนี้เราเร า, าพูดถึงเรื่องของคำสับสักนิดหนึ่งนะคุณยมติอเพื่อทำความเข้าใจในที่นี้เนี่ยคุณนินงงได้พูดถึงคำสับที่อยู่ในที่นี้คือหนึ่งการให้พรนะสอ2พูดถึงการสวดนะแล้วก็สพูดถึงเรื่องของการแสดงธรรมด้วยซึ่งซึ่งสามอย่างนี้มันคนละอันกัน เนะี่ยทำกามเข้าใจไปทีละเรื่องกันนะีคือถ้าสมมุติเราเห็นพระสวดพูดอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นภาษาบาลีออกมาอย่างเงี้ยคุณก็คิดว่าเอ้ยนั่นคือการให้พรหรือเปล่าอหรือว่าเป็นการแสดงธรรมอหรือว่าเป็นการสวดมนต์ธรรมดามันจะต้องมีรายละเอียดตรงนี้เนี่ไม่ใช่ว่าคําพูดอะไรที่หลุดออกมาจากพระภิกษุรูรปใด ร, รูปหนึ่งเอ้เราฟังไม่รู้เรื่องถ้าทางจะเป็นภาษาบาลีหรือภาษาขอมมันน่าจะขลังอยู่นะีหรือว่ามันน่าจะเป็นการให้พรเราต้องแยกแยะตรงนี้ไดนึง เอาคำว่าการให้พรก่อนแต่จริงๆแล้วคำเนี้เป็นคำที่เราใช้แบบเราๆท่านๆใช้กันนะคือคือคนในประเทศไทยก็ใช้คำนี้กันในแต่คำที่พระพุทธเจ้าใช้แล้วก็มีความหมายไม่เหมือนกันทีเดียวนะคือคำว่าอนุโมทนานะคุณโยมติวค่ <Okay. S 1> ะแต่ซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยให้มีกิจกรรมที่พระสงฆ์สามารถทําได้ที่เรียกว่าอนุโมทนาแตอันนี้เป็นอยู่ในข้อปฏิบัติในเรื่องของการทํำพัฒกิจ เนะี่ยกเรื่องของการทํากิจคือการรับประทานอาหารแลนะทํากิจเรื่องของการไปบิณตบาดนะคุณไปบินตาบาดบินตบาดในห ม, มายความว่าไปรับก้อนข้าวที่ตกลงในบาทนะจะด้วยการที่ไปฉันในบ้านก็ได้หรือฉันที่วัดก็ได้โดยใช้บาทนะเป็นเป็นภาชนะในการฉันนะก้อนข้าวที่ตกลงในี่ยเรียกว่าบินตบาดนะบินตานเนี่ยแปลว่าก้อนข้าวบาทก็คือชามนั่นเองนะก้อนข้าวที่ตกลงในชามคุณกินตรงนั้นเนี่ยคือการบินตบาดแล้ว จะเดินไปจะนั่งอยู่ในหมู่บ้านหรือจะนั่งอยู่ในวัดนี่ก็คือเป็นข้อบฏิบัติตรงนี้แล้วถามว่าข้อบฏิบัติในการรับประทานอาหารเนี่ยมีอยู่อันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสต่อไปนั่นคือการอนุมโมทนานะีซึ่งการอนุมโมทนา น, นั้นทําในที่ฉันอันนี้ชัดเจนทําในที่ฉันนะีไม่ได้ทําตรงที่รับแต่ทําในที่ได้กินข้าวเนืงจะกินข้าวตรงไหนคุณก็ทําตรงนั้นนะนี่คือหลักตามตรงนี้ทีนี้คําว่าการให้พรให้พรเนี่ย มันเลยทำให้ความหมายมันเพี้ยนไปนะคุณโยมติว๋วเพราะว่าคำว่าอนุโมทนาเนี่ยหมายถึงเรายินดีกับสิ่งที่ที่ความดีที่คุณได้ทำนะนี่คือบทอนุโมทนามีความยินดีในความดีที่คุณได้ทำนะคือสมมติถ้าเราทำความดีเช่นเราให้ทานนะนับพรคือความดีตรงนั้นความประเสริฐตรงนั้นเกิดกับเราแล้วแนะไม่ได้ว่าพระสงฆ์จะต้องพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณฟังแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยแล้วคุณถึงจะได้พรไม่ใช่ นะบุญเกิดขึ้นตรงนั้นทันทีแล้วณนะจุดที่เราให้อาจจะไม่ต้องมีคนมายืนยันด้วยว่าเราจะได้หรือเราจะไม่ได้เพราะมันได้อยู่แล้วอันนี้เป็นกรรมกรรมคือการกระทำถูกไหมเกิดขึ้นที่อยู่กับที่ผู้ทํแเพราะฉะนั้นไม่ว่าพระสงค์จะกล่าวอะไรหรือไม่ในขณะที่คารวะให้ทานนะบุญเกิดแน่นอนแตนะ่ถ้าเราพูดถึงว่ า, วาบุญนั้นคือพอรนั้นะคือความดีนะบุญเกิดแน่นอนแต่เนพะราะฉะนั้นมันก็จะกล่อเรื่องกันนิดนึง แล้วก็เข้าใจตรงนี้ให้ถูกทีนี้ในคําที่สองที่คุณอินงงได้พูดถึงในที่นี้ก็คือว่าแล้วก็อาจจะมีการให้พรซึ่งสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ได้บัญญัติเอาไว้มีข้อที่ควรทําการศึกษาให้ใหทําให้ได้ก็คือว่าไม่กยืนกล่าวทำแสดงธรรมซึ่งการแสดงธรรมเนี่ยก็หมายความว่าคุณจะต้องยกพระสูตรมีการที่พูดแล้วให้เขามีความเข้าใจในธรรมะอันใดอันหนึ่งนี่คือลักษณะการแสดงธรรม ถ้ายืนพูดยืนแสดงธรรมคือไม่ใช่ยืนพูดนะคือยือนพูดอาจจะถามสารทุกขสุขเดบอันนีมน้มันทำได้อยู่แล้วแต่ถ้ามีการกล่าวธรรมและมีการที่จะต้องยกเรื่องที่จะแสดงและมีการแสดงไปเป็นตามลำดับขั้นตอนจุดมุ่งหมายจุดประสงค์ให้เกิดความเข้าใจเพื่อให้เข้าถึงมรรคนิพพานตรงเนี้ยก็ควรทำการศึกษาว่าให้ผู้ที่แสดงธรรมเนี่ยให้นั่งดีกว่าและนี่คือประเด็น ผู้แสดงเป็นผู้นั่งและผู้ฟังนะคะท่านคะผู้ฟังก็จะต้องนั่งเหมือนกันในผู้ฟังนี้ก็จะมีหลายหลายเรื่องเลยเหมือนกันนะนอกจากนั่งแล้วต้องถอดรองเท้าด้วยนอกจากนั่งถอดรองเท้าแล้วในมือต้องไม่ถืออาวุธด้วยนอกจากนั่งถอดรองเท้ามือไม่ถืออาวุธแล้วก็ต้องไม่สวมหมวกด้วยห้ามนั่งกอดเข่าด้วยโหลายอย่าง <c oughs> นั่นคือเกินมาห้ามในที่นี้เนี่ยไม่ได้ว่าปรับเป็นความผิดเป็นอะไรนะแต่เป็นข้อปฏิบัติที่พึงทําการศึกษาให้เราทําอย่างนั้น หนาจะว่าออใช่ควรจะทำอย่างนี้จะว่าไม่สําคัญ ก, ก็ไม่ใช่แต่ถ้าจะบอกว่าสําคัญแล้วแสดงทําไม่ได้มันก็เป็นเรื่องที่เราควรจะดูดูแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่สําคัญที่สุดค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าในกรณีของการแสดงธรรมยังขออนุาสรุปตรงนี้นิดนึงว่ า, าถ้าจะแสดงธรรมพระสงฆ์ต้องนั่งผู้ฟังควรนั่งแล้วก็ควรจะต้องถอดรองเท้าไม่ควรถืออาวุธ ไม่ควรนั่งกอดเข่าอันนี้ใช้คำอย่างนี้ถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องนะคะทีนี้อย่างในกรณีจำเป็นนะคะท่านคะสมมุตินะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่แม้แต่กระทั่งพระออกไปบินธบาตเราจะยังเห็นภาพที่มีทหารอารักขาถือปืนไปด้วยใช่ไหมคะทีนี้หากสถานที่ที่จะแสดงธรรมเนี่ยก็อยู่ในความเป็นห่วงใยเรื่องความปลอดภัยเช่นเดียวกันทหารก็ยืนถือปืน แต่รองเท้าอีกต่างหากฐานี่อดจะฟังธรรมเลยใช่ไหมคะท่านคะ ค, คือเหมือนกับว่าห้ามฟังธรรมเพราะว่าอยู่ในปริมณฑลก็ตามทีแล้วว่าคือคือข้อบัญญัติตรงเนี้ยสําหรับพระในการที่ว่าพระจะทํากันสังเกตว่านะบุคคลที่ฟังเนี่ยจะต้องไม่มีกิริยาต่างๆเหล่านั้น่นะหมายความว่าถ้าเราจะถ้าเรามาจะแสดงธรรมเนี่ยปรารบใครแตนะ่ถ้าปรารบบุคคลที่เขาฟังเนี่ยแล้วเขามีใส่รองเท้าสวมหมวก ถืออาวุธพวกนี้เราก็จะงดเราก็จะนิ่งเสียเพราะฉะนั้นทัศนมุติแสดงทําในกรณียกตัวอย่างของคุณยมติวที่พูดมาเมื่อสักครู่ถ้ามีคนอื่นฟังทําอยู่ด้วยแต่เราก็ปรารบคนที่เขาไม่ได้สวมรองเท้าไม่ได้ใส่หมวกพวกนั้นแต่เราก็ไม่ได้ปรารบพวกที่พวกทหารที่ทําหน้าที่อยู่คือดิฉันกำลังคิดอย่างนี้นะคะคือคิดแบบตรงตัวหรือ ว, ว่าจริงๆแล้วฐาน เ, ออเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ที่น่าเห็นใจน่าจะให้เขามีความเยือกเย็น ในจิตใจซึ่งเขาอาจจะมีความทุกข์อาจจะมีความรู้สึกวิตกกังวลอะไรก็ได้อย่างเงี้ย น, นะคะน่าจะให้เขามีโอกาสได้ฟังในสิ่งที่เป็นธรรมะของพระศาสดาเพราะว่าจะได้ทําให้เกิดความสงบเย็นหรือว่าอย่างน้อยยืนถือปืนใส่หมวกใส่รองเท้าอยู่เนี่ยต้องระแวงภัยตลอดเวลาก็ยังมีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระศาสดาใช่ใช่ก็คือคือค อ, อันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามคนฟังนะ แต่ห้ามคนห้ามคนเทศคือหมายถึงห้ามพระว่าถ้าสังเกตอย่างนี้เราก็ก็ให้งดแต่ทีนี้ว่าถ้าอยู่ในกรณีที่ว่ามีหลายๆคนก็พระเนี่ยก็จะต้องหาทางเอาตัวรอดละ่ะก็โดยการที่ปรารบคนที่เขาถูกต้องอยู่ค่ะแต่อย่างไรพระสงค์จะต้องให้ความสําคัญกับคําสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้มันก็จะมีข้อยกเว้นอยู่บางประการคุณโยมติว๋วเช่นว่าคนที่ป่วยเป็นต้นค่ ะ, ะหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าเองในบางทีก็ยืนกล่าวธรรมก็มี ในยืกล่าวทําเป็นคาถาอย่างเงี้ยอาจจะอยาาสัก3าสี่บรรทัดก็มีท่านพร ะ, รพระอานนท์ก็เคยไปยืนเทศก็มีแต่ในนี้ก็จะเป็นส่วนน้อยจะเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่ท่านก็จะนั่งนะคือถ้ามีเหตุเช่นว่าพระพุทธเจ้ายิ้มขึ้นมาอย่างเงี้ยแย้มพระโอชใช่ไหมท่านพระ อ, อนนท์ก็ตรัสถามว่าไอ้ทําไมถึงแย้มท่านรพระพุทธเจ้าก็จะบอกแล้วว่าอ๋อเรื่องนี้เคยมีมาก่อนในสมัยนี้ปุ๊บพอพูดคํานี้ขึ้นมาปุ๊บพระ อ, อนนท์ก็จะปูผ้าสังกติ4ี่ชั้นดันดี เดี๋ยวรบรุษจาเก็จะนั่งแล้วก็พูดไปตรัสไปเทศสักประมาณครึ่งชั่วโมงอ้าวไปต่ออย่างนี้ท่านคะงเฉันเคยเห็นมีผู้ดำเนินรายการข่าวค่ะเอืนบ่านเออมีข่าวบางข่าวที่จะต้องนิมนต์พระไปให้ปัญญาก็นิมนต์พระสงฆ์ไปเสร็จแล้วบรรยากาศของห้องข่าวเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ตระเตรียมอะไรมากนักแล้วก็เพื่อความเหมาะสมของผู้ที่เป็นโปรดิวเซอร์คือเป็นผู้ผลิต รายการข่าวเป็นคนทํางานเนี่นะคะเห็นว่า aw, พระสงฆ์ควรจะยืนดิฉัเนเคยเห็นมาแล้วจริงๆคะ่ะอืมอย่างนี้เนี่ยอันนั้นก็เป็นภาวะจำยอมพระสงฆ์ก็คงไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่ได้เตรียมที่ให้นั่งแล้วก็ไม่มีที่สําหรับให้นั่งนะคะชเอ uh, แต่ว่าไม่ควรใช่ไหมคะบันไดการแบบนั้นครั้งต่อไปโดยจะทํำสมัยใช่คือถ้ามีการตระเตรียมได้อย่างถูกต้องมันก็จะเป็นความบริสุทธิ์บริบูรณ์ที่ดีใ่อย่างไรก็ตามตรงเนี้ย เป็นข้อปฏิบัติที่ให้ทําการศึกษาแต่ก็คือมันไม่ได้เป็นอาบัติความผิดชนิดที่ร้ายแรงแต่ถ้านั่งก็จะเหมาะสมแต่ถ้านั่งก็จะเรียบร้อยดีมันเป็นข้อปฏิบัติที่ดูแล้วมันเรียบร้อยเท่านั้นเองค่ะงั้นพระสงฆ์ก็อาจจะต้องแนะนําโยมด้วยเหมือนกันนะครับอาจารยาถ้าจะให้ดีโยมจัดที่ให้อัตมานั่ง ก, ก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะอันนี้เป็นประเด็นของการแสดงธรรม ทีนี้ในส่วนอีกส่วนหนึ่งใช่เรื่องสวดไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการสวดถูกต้องแต่<ช>นะว่าคําพูดที่ออกจากปากพระเนี่ยแตนะ่ถ้ายิ่งเป็นภาษาบาลีด้วยแล้วนะทีนี้คนก็จะงงๆแล้วเอ้ยกล่าวอะไรกันแน่นะซึ่ ง, ซ, งซึ่งแน่นอนพุทธพจน์ที่พระพุชา ต, ตรัสเนี่ยนะคุณผูมถือเป็นภาษาบาลีมาก่อนทําให<ช>้คนขเขาคิดว่าอะไรที่คุณพูดเป็นภาษาบาลีเนี่ย เ, เป็นการแสดงทรรมหมดเลยแต่มันก็ไม่ใช่ไง นเนี่ยเราะว่าการอนุโมทนาอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่การแสดงธรรมการอนุโมทนาเนี่ยหมายถึงว่าการยินดีในสิ่งที่คุณความดีที่คุณได้ทําซึ่งในการยินดีในสิ่งที่คุณได้ทําอาจจะกล่าวข้อมูลที่เป็นพุทธโพสสักบทใดบทหนึ่งที่เป็นภาษาบาลีก็ได้นะซึ่งอันนั้นก็คือเรียกว่าเป็นการอนุโมทนานะจะเรียกว่าการแสดงธรรมมันก็จะสั้นอยู่แต่ก็จะพูดได้เหมือนกับก้อ้อมแอ้มะนะ เอาแม้ว่าเป็นการแสดงธรรมได้เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าในการที่จะพูดภาษาบาลีแนะ่บางทีก็ไม่ใช่การแสดงธรรมทั้งหมดเนเป็นการอนุโมานตก็มีบางส่วนท่านคะดิฉันระหว่างฟังท่านตอบเนี่ยก็พยายามพี่จะนึกว่าเอเวลาไปใส่บาตรพระ ที่ชอบให้พรนีนะคะท่านสวดอะไรน่าจําไม่ได้จัตตารโอธรรมมาวัฒนติอายุวโนสุขขังพลังอันนี้ท่านจะอายุวโนสุขขังพลังชั้นดาได้ค่ะว่าอ่าเป็นการอวยพรจัตตาโรธรรมมาก็คือจัตตาโรก็หมายถึงสี่ใช่ไหมตมาก็คือทำสี่ประการเนได้แก่อายุวันนะความสุขแล้วก็พลังคือพละกําลังเนี่ย ก็จงเจริญ oh. มีเจริญแก่ผู้ที่ได้ทำความดีเอาไว้อันนั้นถือว่าเป็นบทสวดหรือเป็นเป็นอั น, นอรก็คือเ ป, เป็นการแสเป็นการอนุโมทนาเป็นการอนุโมทนาโดยโดยว่าอะไรคำพูดเนี่ยหมายก็าม่หมายก็ยว่าเป็นการยืนยันว่าคนที่ทำความดีนะจะได้มีพรสี่ประการนี้พระก็ไม่ได้ <c oughs> ให้เลยน ะ, ะก็คือแค่ยืนยันเฉยๆว่าคนที่ทำได้นะ โดยที่ไม่ต้องให้พระยืนยันก็ได้คุณก็ได้อยู่แล้วอ๋อคือหมายถึงว่าท่านมาใส่บาตรท่านมาถวายอะไรเนี่ยได้ผลอยู่แล้วเป็นอายุวนาสุขภาระแน่นอนเอนใช่นโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าพระจะต้องก่าวหรือไม่ค่ะทีนี้สมมุติเรามีความรู้ดิฉันเองเนี่ยก็พอจะรู้บ้างเหมือนกันระยะหลังที่ได้สนทนาธรรมกับท่านเนีนะคะแล้วก็เวลาไปใส่บาตรก็ไม่ทราบจะทำอย่างไรเหมือนกันเราก็มีความรู้สึกว่า จะไม่รอให้พระยืนยันแต่พระก็เหมือนกับว่าถ้าไม่ได้ยืนยันแล้วท่านก็ไม่กล้าไปกลัวเราจะหาว่าท่านไม่ยืนยันก็นกกคงจะต้องใ ห, ให้ความรู้กันเพิ่มเติมอีกเหมือนกันเพราะว่าทำเนีบยบรัฐบาลเดี๋วนี้มันจะไปแก้ไขอะไรมันก็คงจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคุณหยู่ตีว๋วนะคะและการให้ความรู้ในคงจะต้องลักษณะอย่างนี้ค่ะม ไ, ไม่ใช่ณนะสถานที่แล้วดิฉันบอกว่าท่านค่ะท่านค่ะ ถ้าไม่ต้องนะคะดิฉันทราบอันนี้ก็คงไม่ได้นะคะอเพราะฉะนั้นก็คงต้องให้ความรู้กันต่อไปใช่คใช่แล้วกระรียงคุณที่คุณอินงงถามมาเนี่ยนี่ก็เป็นประเด็นที่เราพูดคุยละเราเราคนที่ได้รับฟังอ๋อที่ถูกเป็นอย่างนี้เหตุต้นผลปลายเป็นอย่างนี้เราก็ทําสิ่งที่ถูกต้องก็ตอนนั้นก็จะดีขึ้นและดิฉันเคยนะคะเหมือนกับว่าเราเตรียมอาหารไปใส่บาตรให้กับพระภิกษุหลายรูป พอพระภิกษุรูปแรกๆใส่บาทเสร็จเสร็จชุดแรกดิฉันพลาไปเลยพระทำท่าง ง, งนะคะ <c oughs> เหมือนกัว่าเราก็ไม่รู้จะทำอะไรเราก็รีบไปทำเป็นสารวลนที่จะเตรียมอาหาร <c oughs> สำหรับพระสงฆ์ที่กำลังจะเดินในชุดถัดมาท่านทำท่างงงง <c oughs> ว่าโยนี่ไม่รู้เรื่องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ, อีกอันหนึ่งในประเด็นที่สามในคำถามนี้ก็คือว่า บางทีเราเราจะไปคอยเพ่งโทษว่าคนนั้นทำผิดฉันทำถูกเธอทำไม่ดีฉันทำดีอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกันแล้วจะทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองแล้วก็การเพ่งโทษเนี่ยบางทีมันเป็นลักษณะของการกระทำของคนพาลแต่ถ้าบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตเนี่ยมีการที่จะคอยแนะนำมีการที่จะคอยชีย้โทษนะพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ชี้โทษนชี้โทษต่างกับการเพ่งโทษนะการเพ่งโทษเนี่ยก็คือ อะไรนิดอะไรหน่อยมันหยิบ ม, มาเป็นเรื่องที่ให้พูดให้ด่ากันได้เสมอแต่ว่าการชี้โทษเนี่ยก็คือเพื่อที่จะบอกให้เขาว่าตรงนี้มีข้อผิดพลาดอยู่ให้เขาออกจากอาบัติให้เขาหายจากความผิดตรงนั้นะเจตนามันจะไม่เหมือนกันล่ะค่ะแต่ซึ่งการชี้โทษเป็นการกระทําของบัณฑิตนั่นเองค่ะทีนี้ดูเหมือนกับว่าในวันนี้นีท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องของผู้ที่ใส่บาตรแล้วต้องใส่รองเท้าถอดรองเท้าอย่างไรหรือไม่ได้กล่าวแต่ในช่วงของเรื่องการแสดงธรรม เท่านั้นเองคะใช่ใชจริงๆแล้วเป็นยังไง น, นะ่านคะเอ่อสำหรับผู้ที่ใส่อาหารในในบาตพระก็คือผู้ที่ให้ทานเนี่ยนะค่ะพระพระธเจ้าก็จะไม่ได้มีกําหนดเอาไว้ว่าต้องต้องถอดรองเท้าหรือว่าใส่รองเท้าจะจะไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้จะมีแค่ระ บ, บุว่าถ้าฟังธรรมต้องถอดรองเท้า แ, แสดงว่าก็ค่อนข้างยืดหยุ่นพอสมควรนะสำหรั บ, รบการที่เอ่อจะใส่ใส่บาตพระใส่อาหารในร บ, บาตรพระเนี่ยผู้ใส่ผู้ถวายเนี่ย ก็ไม่ได้มีระบุไว้ว่าจะต้องถอดหรือต้องใส่งั้นถ้าสมมุติเราเห็นคนที่ใส่รองเท้าเราก็ไปว่าเขาไม่ได้ว่าเขาผิดเราเห็นคนที่ถอดรองเท้าเราก็จะไปบอกไม่จําเป็นอย่างนั้นก็ขึ้นอยู่กับเขาถูกไหมคะก็คือว่าถอดหรือเขาจะใส่ถูกผิดมันก็อยู่ที่ผู้ดูใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาตามที่พระพุทธเจ้าบอกแต่พระพุทธเจ้าจะไม่ได้ให้ข้อมูลตรงนี้เอาไว้ เพราะนั้นถ้าเราจะเอาตามความพอใจของเราอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เหมนทีสันนักกายมันก็ต้องดูตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นประเด็นที่ออกมาบอกว่าเราอย่าไปเพ่งโทษเขาเลยน ะ, ะดูตามความเหมาะสมอย่างงี้มันน่าจะเวอร์ ก, กว่าค่ะคือพอถ้ามีความรู้แล้วก็จะดีที่สุดนะคะว่าอ๋อพระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสระบุเอาไว้ตรงนี้<ช>แต่ไปเน้นในเรื่องของการที่พระภิกษุไม่ควรแสดงธรรมกับผู้ที่สวมรองเท้า ก็<ใ>ของการแสดงธรรมถูกต้องดังนั้นเนี่ยเมื่อก่อนทีฉันก็เคยสังเกตนะคะเหมือนอย่างกับทำบุญที่ท้องสนามหลวงในวันสําคัญสําคัญอืก็จะต้องมีผู้นําไปเป็นประธานมีพัญญาของท่านผู้นําด้วยเราก็เห็นการใส่รองเท้าใส่บาทอยู่เป็นเป็นปกติในทุกๆกครั้งเมื่อก่อนก็นึกในใจเหมื น, นะคะว่าเป็นผู้นํานี่ก็ไม่อยอมถอดรองเท้าเนาะ <laughs> อปรากฏว่าท่า น, นทำไม่ผิดแต่เราไม่รู้คืออาจจะเป็นธรรมเนียมของคนไทยอนะที่ว่ า, าการถ่ารองเท้านี่เป็นการแสดงความเคารพเพราะในการใส่อาหารในบาตรพระการทำบุญตรงนี้เราก็ถ่ารองเท้าอันนี้ก็บางคนที่เขามีความละเอียดรอบคอบความระเบียบเรียบร้อยเขาก็ทําันก็เป็นสิ่งดีของเขาค่ ะ, คะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเรายัาเข้าใจว่าคงจะพอที่จะตอบคุณอินงงครบทุกประเด็นแล้วอยากจะสรุปในแง่ที่ว่า เราได้กำลังสนทนาเกี่ยวกับการกระทำที่ถูกที่ควรในห่วงเวลาของการที่ไปใส่บาตรใช่ไหมคะใชะ่จริงๆแล้วถ้าจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำอย่างถูกอย่างควรอย่างเหมาะที่สุดในการไปใส่บาตรให้เกิดประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับนี่ควรจะทำเช่นไรคะสำคัญที่สุดเลยสำคัญที่สุดเลยน้บบรุจาเคยตรัสไว้กับท่านนางวิสาขานะถ้าจะมาจะไม่ผิด นะพูดถึงอยู่6ประการ3ประการแรกเป็นของผู้ให้อีก3ประการถัดมาเป็นของผู้รับนะผู้ให้ก่อนก็คือตัวเรานะเราเป็นผู้ให้เนี่ยก็คือ1ต้องมีศรัทธาก่อนให้แตนะ่ถ้าไม่มีความปลื้มใจสองมีศรัทธาระหว่างให้แต่ไม่มีจิตน้อมไปแล้วก็ที่3าและมีศรัทธาหลังให้แตนะ่ถ้าไม่มีความพอใจดีใจในการที่เราได้ให้ทานตรงนั้นดังนั้นศรัทธาก่อนให้ศรัทธาระหว่างให้ศรัทธาหลังให้อันนี้สําคัญที่สุด นะครับสำหรับผู้ให้สําหรับผู้รับพระพระุทธเาก็จะระบุถึงเรื่องของราคาโทสะโมหะนะว่าถ้าหมดราคาโทสะโมห oh ะหรือว่ากําลังปฏิบัติเพื่อให้ถึงตรงนั้นสามอย่างของผู้รับกับสามอย่างของผู้ให้รวมกันแล้วมีการให้เกิดขึ้นณที่นั้นนะการให้ณที่นั้นเนี่ยจะเป็นการให้ที่มีบุญมากได้บุญมากมีอันนี้ส่งมากก็เป็นประเด็นที่ คิดว่าเราน่าจะให้ความสำคัญและเข้าใจจะได้ทำให้ถูกต้องนะคะทั้งหมดนี้แหละเป็นสิ่งที่เป็นความรู้ที่เราได้รู้แล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติแล้วก็เผยแผ่ออกไปก็แล้วกันนะคะกราบธรรมส ก, การขอพระคุณทัดบูรอดเป็นอย่างยิ่งคะ่ะ ท่านฟังที่ครบค่ะและนี่ก็คือรายการสัสรนนิษฐาน ะ, ะดําเนินรายการโดยสันนิษฐาน่าพงศ์ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f อฟเอค่ะท่านสนใจที่จะถามคําถามมาก็เชิญนะคะทางพระอาจารย์เพรบุตอภิปุโ น, โนนั้นท่านก็พร้อมที่จะตอบคาถามกับท่านทุกๆคําถามที่เป็นเรื่องคําถามเกี่ยวกับคําสอนของพระศาสดานะคะสําหรับการติดต่อท่านก็เชิญติดต่อมาได้ที่ เพียวธรรมะคอมหนึ่นะคะเพียวธรรมะ .com หนึ่ค่ะนมสักการขอบพระคุณท่านแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ดิฉันจะลาท่านฟังที่ครบทุกท่านเพื่อมาพบกับท่านใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ